أن له مذكرة وقد جاءهم رسول مبين อู้ยอ ل ลลอฮ์ م ัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อั ه و อฮ์อัล ه อฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ ل ัล من ฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลล ل ฮ์อัลลอฮ์ ل ัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ ل ั اللهم ب ك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك ا ل ن ش و ر أعوذ بك لمات الله التامة من شر ما خلق ف س م الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم ر ض ي ت ب الله رب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 و ا و ر ض ا نفسه وزينة أرشه ومداد كلماته يا حي قيوم ب ر ح, ح م د ك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفس طرف عين حسبي الله ونعم الوكيل أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة إخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وماءنا من المشركين اللهم ف ا ت ر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء وملك ا أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر ن ف س วชั่รชัยควานวชั่รทีว่าอันอัตต์รฟะ ل ลาเนบสิสูอันอว่าจุรหูอีลามุสลิมลาอิลาอัลลอฮูอัลลอฮ์ละลาชริกละละหุลุลกูวะละหุลฮัมดูวะฮูอัลลาห์กุลลิชัยกุดิร์สุลามาลิขุมะละห์มะตุลลอฮ์อัลบรักะฮ์พี่น้องที่ร่วมนมัสการสวัสดีร่วมนมัสการ الف ัจร ที่มัสยิดอันวาลยุสลนะแต่พี่น้องที่ติดตามรายการตับซื่กุรอานผ่านเฟซบุ๊กสวรรค์ในบ้านที่รักทั้งหลายครับขำดุลละก่อนอื่นนะครับผมขอเชิญชวนท่านพี่น้องให้นึกถึงอัลลอฮ์เป็นอันดับต้นๆนะครับให้นึกถึงอัลลอฮ์ให้สรรเสริญต่ออัลลอฮ์ เพราะการนึกถึงอัลลอ์นั้นทำให้หัวใจสงบอายะคุอานที่บอกว่าเพราะอัลลอ์รับรองว่าคนที่นึกถึงอัลลอ์หัวใจสงบก็คืออาลาบิซิคริแลฮิตาตมาอินนุโกลูจงรู้ไว้เถิดว่าโดยการรำลึกถึงอัลลอ์เท่านั้นแหละที่จะทำให้หัวใจนั้นเกิดความสงบพอหัวใจสงบแล้วเนี่ย ความเครียดก็จะหายไปนะครับโรคกุ้มอกกุ้มใจที่อยู่ในใจเราก็ค่อยๆหายไปแล้วก็สุขภาพก็จะแข็งแรงเพราะการรำลึกถึงอัลลอฮ์ภาษาที่ควรใช้ก็คือ subhanallah ล l h a m d u ล i l l a h la อิล h a illallah ล l l a h u akbar subhanal-malikil-kudus หรือ astaghfirullah นี่ในการขออัลวา ฉะนั้นเราใช้ชีวิตของเราเนี่ยเดินตามแบบอย่างที่ท่านนาบีที่อัลลอ์ส่งมานะครับว่าท่านนาบีจะเป็นบุคคลตัวอย่างผู้ใดที่ต้องการที่จะไปพบกับอัลลอ์ในวันอาคือร์ะพยายามนึกถึงรูปแบบที่ท่านนาบีมูฮัมหมัดได้ให้ไว้นะครับขอบคุณอัลลอ์นะครับที่เราทบทวนอัลกุรอานมามาถึงสุรอะอดดุคอ สุราที่44นะครับอัดดูคอเนี่ยแปลว่าไอหมอกหรือหมอกควันหรือว่าส MOKE ในภาษาอังกฤษนะครับทำไมต้องพูดเรื่องดูคอเรื่องไอหมอกเพราะต้องการจะสอนนบีเล่าให้นบีฟังให้นบีมาสอนพวกเราว่าอัดดูคอเนี่ยไอหมอกนี่จะมีสองครั้ง ครั้งแรกเนี่เกิดมาแล้วตอนนบีถูกตำหนิถูกดา่าถูกนุนถูกนี้ น, น, นบีก็ขอดูอาขอม่ใจะขอแรงนะขอว่าโ อ, อา้ Allah ให้พวกกวุเรชเนี่ยได้รับการทดสอบ เหมือนกับสมัยนะบียูซุฟแห้งแล้งผู้คนต้องไปขออาหารจากรัฐบาลนะละรับดวาเลยฉะนั้นในนครมกกาเนี่ยช่วงนั้นนี่ยแห้งแล้งในตับซีอธนะิบายบอกว่ารู้ไหมกินอะไรนะครับกินหมา เอาสุนัขเนี่ยมาเชื่อดกินด้วยอาหารหมดแห้งแล้งแต่วันนี้นี่ในโลกนี้ก็กินหมากันแล้วทั้งๆที่ยังไม่มีปัญหาเดือดร้อนเลยเพราะไม่ศรัทธาต่อหรอกใช้ชีวิตแบบตามใจชอบกินเนื้อหมากันแล้วก็กินกระดูกเอากระดูกมาต้มนั่นผ่านมาแล้ว แล้วการดูดูคอนประมาอายหมอกจะเกิดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยกูบกูบลิสราก่อนวันกียรมะมีทั้งหมดหดรายการบางบางรายงานบอกว่าสิบรายการเอาแค่หก่อนจำง่ายง่ายหกรายการนี้เราจะให้เห็นนะครับกนวันเกียรมะข้อที่หนึ่งตุลวงอชุชามสมินมักริบิฮา ให้ดวงดวงอาทิตย์เนี่ยจะขึ้นทางทิศตะวันตกตอนนี้ขึ้นทางทิศนี้ทิตะวันออกแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งวันหนึ่งจะขึ้นทางทิศตะวันตกนี่เป็นเรื่องจริงมนุษย์จะรับไม่รับเรื่องของมนุษย์จะ่ละเล่าให้นบีฟังเกิดจริงๆรครับแล้ววันนั้นคนจะคิดจะต่อบาตัวเป็นคนดีจะมาเข้ากัลิมาเป็นมุสลิมหมดสิทธิ์อลัลลอฮ์ไม่รับแล้ว ตอนนี้ยังเปิดโอกาสอยู่โอกาสอยู่ข้อที่สองดุคอนีน่ไงสมองจะมาไอแรนะไอหมอกจะมืดประมาณสี่สิบวันนั่นคือความหายนะมาแล้วนะครับเรื่องที่สามอั ด, ดจาลแต่ว่าผู้โกหกผู้หลอกหลอกลวงเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเห็นแล้วหลอกคน ข้อที่ห้าข้อที่สี่อวิดาบามีสัตว์ประเภทหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาจากแผ่นดินแล้วก็วิ่งตามบ้านไปประทับตาที่น้าผาใครที่เป็นกาเฟตกาเฟรกาเฟตกาเฟตนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งเหตุการณ์แต่ละคนแต่ละคนมีปัญหาหมดแต่ไม่เหมือนกันแล้วก็ข้อที่หก็คือ ทั้งโลกนี่มีแต่ปัญหาเดือดร้อนทั้งหมดเลยอ้ามม า, มาถึงคนทั่วไปทีนี้ขณะนี้นะครับในเมืองไทยนี่มีพระอยู่มีพระห ร, หรือว่าคนรู้ตนรู้ว่าตัวมีพระอยู่องค์หนึ่งอ่านอานเอากุมภีรามาเหยียบเอากุมภีรามาเหยียบแล้วก็พูดว่า ตาํ Allah, ตาหนาิอัลลอฮ์ตาําหนินบีตําหนิอัลกุรอานอักุรอานมาวางไว้แล้วก็เหยียบด้วยเท้าไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะเกิดมานานแล้วในโลกตะวันตกของเขาระบุคลเหล่านี้เนี่ยนะเราแนะนำนะให้ล่อเปิดใจให้รับอิสลามแต่ถ้ายังฝืนด่าอิสลามด่าอัลลอ์ด่ารอซูลไปไม่รอดสักคนหนึ่งนะ ไปอาร้อนให้อยู่บนดนาวาใจไเนี่ยให้อยู่ไปแต่ไม่อยู่วันหนึ่งอาร้อจะเล่นงานเล่นงานแบบไม่รู้สึกตัวด้วยนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดครับขอบคุณอาร้อนะครับที่ทษทวนอัลกุรอานมาเพราะกุรอานนี่เป็นทางนาำสําหรับชีวิตของคนทั้งโลกใครมาดูถูกอัลกุรอานมาเหยียบย่ำอัลกุรอานมาตาหนิอัลกุรอานตำหนิอลัลลอฮ์ตำห น, นิรอซูลตําหนินาบีเนี่ยถูกลงโทษมาหมดแล้ว ฟาโร่เนี่ยคณะว่าเป็นกษัตริย์มีพระราชวังอยู่ตั้งตัวเป็นพระเจ้าอัลลอฮ์ให้รอยนวนประมาณสี่ร้อยกว่าปีนะแล้วเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็ให้จมน้ำตายตอนจะตอนที่วิญญาณจะออกจากร่างเนี่ยพูดว่าอามันตุฉันเชื่อแล้วต้องการจะอธิบายว่าทุกคนก่อนตายอัลลอฮ์ให้เห็นหมดเลยครับ ฟังก็ชั่งน่าังกับทว่ากับฟังภาษาเราคืออยู่มาพอดีอัลกุรอานยันงอธิบายว่าอัลลอฮ์จะให้กระชับน่าแบบโอเพนเราจะเปิดให้เขาได้เห็นภาพของคนที่ทรยศต่ออัลลอฮ์ที่ด่าอัลลอฮ์ที่ด่ารสซูนที่ด่ากุรอานถูกลงโทษยังไงแล้วก็เห็นแบบหัดีษแบบชัดๆไม่มีอะไรมากั้นเลย นี่เล่าให้ฟังนะครับในอัลกุรอานเล่าให้ฟังอัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษคนทําปิดป้๊บไม่รีบลงโทษแต่ยังไโลกใบ น, นี้วุ่นวายหมดแล้วที่อรลอฮพะวิงเวลาไว้ไม่รีบลงโทษเนี่ยพราะนาบีขอดูมาอัลละฮ์จะอย่าเพิ่งลงโทษคนที่ด่าอัลลอฮ์า ด, าดา่ารูสูลด่ากุรอานอัลลอฮ์ก็รับดูมาแต่ว่าอั ล, ล ประวิงเวลาไว้ประวิงหนึ่งให้สํานึกตัวให้กลับมาเรียนมาเข้าใจอิสลามมาสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์ซะอลัลลอฮ์ก็จะรับการต่อบบาของเขาแต่ถ้ายังดันทุรังด่ายอย่างนี้ต่อไปนะอลัลลอฮ์ให้เองอยู่สบายอ่ะอาจจะมีประเทศหนึ่งประเทศใดคนนำจ้างกันอางเดือนละละนะ้านไปเลยเดือนละสองสองแสนสามแสเอาอยู่ไปแต่อิสติรอรอยู่ไปแบบค่อยคอย เดินสู่ความหายนาณะไปให้มาาันสใจกับสู่ความฉิบหายเห็นไหมตุ้อ่นอานเอาลอเล่าให้ฟังหมดแล้วฉะนั้นจะสงสารในคนที่ตำหนิคุรอ่านเอาคุรอ่านมาเหยียบนี่นะนะครับในตะวันตกพี่น้องถ้าอ่านข่าวน่าจะรู้บ้างทีนะคนที่เผาเอาคุรอ่นอานอัลลอ์ให้ไฟไหม้รถตายอ่ะ มียิฮูดีอยู่คนหนึ่งเนี่ยตอนป่วยเนี่ยขนาดมีหมอมารักษาทีา่บ้านนะเอานอนออกยิ่งเอานอนอกยิ่งเต็มเอานออกยิ่งเต็มตั้งแต่บนพนบนหัวบนป่าบนจมูกมีตะนอนทั้งนั้นน่ะแล้วหมอทั้งห้าหกคนทําไมเอาเอาหนอนออกไม่ได้เพราะอะไรอะ่ะยิ่งเอาเอานอกยิ่งยิ่งแน่นเอานออกโอโลยอยูเ่เยอะทั้งตัวเลยเนี่ย ทำไมไม่พิจารณาด <P ew a> ูบ้างเพราว่าไปด่าอัลลอฮ์ไปด่ารอซูนด่าอัลกุรอานเหยียดหยานว่าไม่มีวันชาติหน้า <P ew a> ทั้งหมดแล้วนี่อัลลอฮ์ก็เรียกว่าอินติร์กรเล่นงานแทนแต่จะค่อยๆมาให้เห็นทีละนอ้ะนอยๆนอ้นอยๆน้อๆนยๆให้ไดนึกตัวแต่มุสลิมไม่ีใครกล้าครับทุกคนยอมจํานวนต่อต่อรอหมดนะครับขอบคุณอัลลอฮ์นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เราอ่านมา อันมาถึงอะไรนะครับคนอ่านในย่อที่บอกว่ารบบนารบบนักชิฟนานในายาอินมุมนินุเมื่อสม o k เมื่อควัน ม, มาเนี่ยที่นครมักกะแห้งแรงมุสลิมอขอลลเขาขอมากันอัลลอฮ์ก็ขอให้นบีขอมาขอว่างี้รบบนักชิฟนานในายาอายาที่12บสข้าแต่พระผู้อาภิบาลของเรา ได้ทรงปลดเปลื้องการลงโทษนี้ให้พ้นไปาจากเราเถิดนี่อัลลอฮ์สอนนบีให้นบีขอดุทิและนบีก็มาให้คนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ในวันนู้นนะนะให้ขอดอุทิศวันนี้ก็เหมือนกนารอุทิบทนี้ยังใช้ได้อยู่เวลาใครที่มีปัญหาเดือดร้อนในเรื่องทุกข์ อ, อกทุกข์ใจนะให้ขออุบนบบนี้แหละรอบบรรณชิฟานในลอดาดับ อินนามุมินูอลัลลอฮฺจ๋าได้ทรงโปรดบทเปลื้องการลงโทษนี้ให้พ้นจากเราเถิดอินนามุมิณูแท้จริงเราเป็นผู้ศรัทธาแล้วนี่คุรอานสอนให้เราขอดัวอา้าขอดัวอาทุกเรื่องครับอย่าขอเป็นเรื่องใหญ่ๆเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ขอเถอดนบีอธิบาย เพื่อเข้าใจง่ายๆก็คือว่าแม้แต่เชือกรองเท้าของนบีขาดนบีก็ยังขอดว่าเราจะเชือกรองเท้าของฉันขาดขอต่อรอดนะฉะนั้นคนที่ขอเนี่ยขอต่อรอดเนี่ยแสดว่าคนนี้เป็นคนที่นอบ น, อน้อมถ่อมตนไม่เย่อหยิ่งไม่ตะกับบุญไม่จองของอเลาชอบครับฉนั้นคนที่ไม่ขออะไรเลยนี่นะครับขอมนุษย์นี่มนุษย์ไม่ชอบหรอกรับ จะขอจากอัลลอฮฺเสียเราชอบอวันนี้มาอายะที่หกอายะที่สิบหนะครับสี่สบห้าสิบสาครับแล้วก่อนจะอธิบายคนที่แอนตี้กุรอานเนี่ยคนที่ด่าอัลลอฮฺด่าเราซูลเหยียบอัลกรุรอานทําลายอัลกรุรอานดูถูกเหยียดหยามเนี่ยอัลลอฮฺจะลงโทษคนใหญ่จะลงโทษก่อนตายแล้วก็มีเมืันกันแต่น้อย แต่ว่าหลังตายเจอหนักมากขอยกพูนอนเนในรสุอัลฮะจิรอายะที่สองรูบามะยาวัดุลละดีนักกฟารุลาอูกานุมุสลิมินบ่อยครั้งแล้วคนคนที่ปฏิเสธอิสลามปฏิเสธอัลลอ์ปฏิเสธรษูลดูถูกอัลกุรอานยิ่งยามไปอัลกุรอานบน บนหลังตายครับตอนอยู่ในกูโบอยากจะเป็นมุสลิมเหลือเกินเนี่ยออลเล่าให้ฟังก่อนท่านคนที่มีปัญญาเนา่เขาจะไม่ด่าคนนะแต่นี่ด่าอัลกรุอลกรอานเอากรุรอานมาเหยียบนี่อลลอ์มุสลิมทั้งโลกเขามันไส่นะ่ะแต่ว่าก็ขอร้บบนนี้กอตละหุมอลลอฮ์อัลลอ์จะจัดการ หือว่าอ um ัลลอฮุมดัมมิรอาดะกะวะอาดะอัดดีนอัลลอฮ์จะโปรดทาลายศัตรูของท่านและศัตรูของอิสลามศาสนาของท่านไปเถิดท่านอย่างอื่นไม่ต้องไปทำครับขอตัวต่ออ ah, ah, ัลลอฮ์อัลลอฮ์ดัมมิรอาดะกะวะอาดะอัดดีนอัลลอฮ์จะโปรดทาลายให้ศัตรูของท่านเนี่ยแล้วก็ศัตรูของศาสนาของท่าน อยาให้เป็นตัวอย่างที่เลวใั้กับคนหลังๆต่อไปอายาที่สิบสานะครับอันนาละหูมุซิครอว่าก็จะเจออะฮุมรอสูลุมมุบีนอันนาละหุมุซิครอว่าก็จะเจออะฮุมรอสูลุมมูบีน ดูซับนะครับวิเคราะห์แปลว่าข้อเตือนใจกุรอานทุกอายาเนี่ยเป็นข้อเตือนใจหมดเลยจะอ่านตรงไหนก็ตามเตือนใจเราถ้าคนอ่านกุณอ่านที่มีปัญญามีการศึกษาดีเนี่ยจะเข้าใจคุณอ่านเราจะชี้ทางหนาะไหมอย่าคิดว่าตัวเองเก่งนะเราจะ เปิดชี้ทางนำให้แก่ฉันโดยเธออ่านกรุรานสิบคนเนี่ยเข้าใจกันคนละอย่างละอย่างละอย่างขนาดพระอ่านคุรานเข้าใจว่ากรุรานดา่าเขาฉะนั้นอันนาละหุมุะิคราอัลล์เล่าให้ฟังบอกว่าการลงโทษทึ่ว่ามีดูคอนมานี่มีสโมกมา มีไอหมอกมาในสมัยนบีนู่นน่ะเป็นข้อเตือนใจให้เลิกทำความชั่ววันนี้เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันมาอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมใช่โรคอะไรเนี่ยที่ปิดจมูกอยู่เนี่ยโรคโควิดนี่ก็เป็นมาจากอัลลอฮ์แล้วก็โรคไม่สบายในครอบครัวท่านอะ โรคเงินขาดในครอบครัวท่านโรคที่ลูกดื้อกับพ่อแม่เมียตีตัวออกหา่างจากสามีทั้งหมดนี่เป็นอันรัาทั้งหมดแต่ละครอบครัวแต่ละครอบครัวมีปัญหาไม่เหมือนกันนี่เป็นข้อเตือนใจทั้งหมดฉะนั้นมุมุ้มมินเนียต้องสังเกตดูตลอดเวลาว่ะในครอบครัวเราวันนี้เนี่ย มีปัญหาเดือดร้อนไหมมีครับอย่างเมื่อวันซืก น, นี่ใช่ไหอัานอัานฮะจิตตรงนี้นะแท้จริงอัลลอฮ์เนื่องจะทดสอบทดสอบคนนะ่ะมีอยู่ห้ารายการแต่วันนั้นนะ่ะมีอยู่สามรายการหนึ่งทดสอบมาจากตัวของพ่อบ้านเองสองทดสอบมาจากลูกของเขาสามมาจากทรัพย์สินของเขา ต่ในฮะดิษบอกอื่นอนธะิบายว่ามีอยู่หรายการหนึ่งมาจากเมียสองมาจากตัวเองสา ม, มาจากลูกสี่มาจากทรัพย์สินห้ามาจากเพื่อนบานฟิตรณะกับความวุ่นวามันเกิดขึ้นท่านนันต้องขอาอนุญาตตลอดตล อ, อดอ่ะตลอดใจอยาให้ฟิตรณะตา ม, มาเลยสู้ไม่ไหวต้องขออนครับ แล้วขอตอนไหนลรกขึ้นนาทาจุดสิเพราะว่าเราก็อายุเยอะแล้วนะนี่ฟังตำบสีกันมาบางคนก็สามสิบปีมีสี่สิบปีมีทำว่าได้ข้อเตือนใจอะไรบ้างอั น, นาอ น, นาไปว่าอย่างไรลาหุมแก่พวกเขามาถึงชาวมักกะอริครอข้อเตือนใจ การลงโทษนี้การลงโทษที่มีดุขรมีสมุกมานี่นะครับที่มีไอๆไอๆไอหมอกมาเนี่ยเป็นข้อเตือนใจสำหรับพวกเขาวกดจาอาหุมรอซูลุมมูบีนและแน่นอนได้มีรอซูลผู้แถลงผู้อธิบาย ยาอ้แปลว่าได้มาอย่างพวกเขารอซูลหมายถึงนบีมุฮัมมัดวก็จะยาอุมรอซูลุนและก็แปลว่าแน่นอนยาอุมได้มาอย่างพวกเขาเหล่านั้นรอซูลหมายถึงนบีมุฮัมมัดมุบีนเป็นผู้นําเอาความรู้ ที่แจมแจ้งมาอย่างพวกเขาแล้วมาอธิบายให้เขาฟังกันแล้วความจริงไม่ต้องไม่ต้องมีอาสาบมาเตือนก็ได้ใช่ไหมละ่ะไม่มีไม่ ม, มีไม่มีควันไม่มีไอหมอกมาก็ได้เพราะว่าสรงนบีมาแล้วละ่ะมาสอนแ ล, วล้วอ่ะให้กุรานมาด้วยและรูปแบบของนบีแต่และเรื่อง แต่และเรื่องนั้นนบีอธิบายชัดเจนหมดเลยก่อนตายนั้นนบีอธิบายไปหมดผมขอยกตัวอย่างสิ่งที่นบีอธิบายให้เราฟังนะขอยกตัวอย่างง่ายๆนะเจ็ดเจดเรื่องข้อที่หนึ่งท่าน j บิ i r bin Abdullah a อ Ansari r ลลร d i y a l l รายงานบอกว่านี่นบีเล่าเองนะครับยิบรีนเนี่ยลงมหาฉัน ยิบรีนนะใครรู้เ่ามาลายกาที่ยิบรีนที่ลงมาหาเฉพาะผู้ที่เป็นนบีเท่านั้นคนอื่นไม่ลงมาครับยิบรีนเนี่ยลงมาหาฉันมาสั่งเสียฉันนะเจ็ข้อครับนี่ตอ้องการจะอธิบายอายานี้ไงะอะไรนะอันนาละหุมซิธธรกรอวกะจะอจะหุมรอสูลมุบินอัลลอฮ์ส่งนบีมุฮัมมัดมาเนี่ยนำเอาความรู้ มาอธิบายให้พวกเขาเนี่ยยังไม่พออีกเลอถึงได้เอาสมมกมาอีกเขจริงไม่ต้องเอามาก็พอแล้วใช่ไหมนี่เอาเเตือนในการพิจารณเตือนพวกเราด้วยอะ่ะไม่ก็เอาสุนัขนับบีมาใช้ในชีวิตประจาวันเนี่ยเนี่ยคนส่วนใหญ่นี่ถ้าไม่ฟังสุนัขนาบบีนอนอนก็นอนไม่เป็น อ, ะอ่ะตาสุนัขนับบีนอนทำไง ไปแปลงฟันก่อนอาบน้ำนำมาดก่อนแต่นี้บางบางคนพูดพูดแรงอะ่ะใครที่มนนอนไม่เอาซูน่์น า, นาบีมันไม่ต่างอะไรกับแพะที่เขาเลี้ยงไวน้นั่นแหละโอ้ฟังดูโหนี่มันแรงเนี่ยนะคือมีนาบีมาเอาไว้สลาวาตอย่างเดียวอัลลอ์มสีลลมุฮัมมัดไม่เคยนึกถึงว่าแบบของนาบีคือมาจากอัลลอ์ คุณจะมีบรุระกาศในชีวิตโดยการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีเท่านั้นถึงบ้านคุณจะมีบุญประกาศแต่บ้านคุณไม่ต่างอะไรกับบ้านฟาโรห์บ้านกอรูน่ะใช่ไหมล่ะบ้านฮามาน่ะเร า, าต้องการแบบนั้นเราต้องการบ้านเราแบบบ้านนาบีบ้านสุรหบาญ น, นาบีมีบรุระกาศลงมาอย่างนี้เป็นต้นแต่นี่บ้านจะมีบรุระกาศนบีสออย่างนี้มาซาลายูซีนียิบรีลบิลยา ยิบรีนีลงมหาฌานมหานณบีเนี่ยมาเตือนณบีนะให้ทำดีกับเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านเรารู้ใช่ไหมบ้านอยู่ติดกับเราเนี่ย <c oughs> ใครอยู่อพาร์ตเมนต์ห้องที่อยู่อยู่ที่ห้าห้องที่สีกับห้องห้องที่หกนี่เพื่อนบ้านเราอะข้างหน้าอีกหละเนี่ยเพื่อนบ้านเราเรามันกันอยู่กี่หลังเจ็ดแปหลังเนี่ยหลังหน้าบ้านก็เพื่อนบ้านข้างๆกับเพื่อนบ้าน ซ้ายขวาข้างหลงังเพื่อนบ้านหมดเลยให้ทําดีกับเพื่อนบ้านฮัตตะว่นันตัอันนาหูยาจอันูหัวริสันน บ, บีอธิบายเองนะเหมือนกับสั่งว่าตายแล้วมีมรดกให้เพื่อนบ้านด้วยแต่ไม่ถึงขนาดนั้นเราแต่ว่าสํานวนที่อัลลอฮฺให้จิบรีนมหาฉันเนี่ยต้องดูแลเพื่อนบ้านให้ดีตายมีมรดกก็ต้องแบ่งให้เขาด้วยเห็นไหม นี่น บ, บีเตือนนะเรื่องพอนบ้านดางนันกานอิสลามสมบูรณ์ยัง complete แล้วเรื่องที่สองวามาซาละยูซีนีบินนีซาเรื่องที่สองยิบรีนลงมาสั่งเสียฉันให้ทำดีกับภรรยาเอาใครบ้างไม่มีภรรยาบางคนมีสองคนมีสามคนเมียต้องดูแลเธอให้ดีนะแล้วก็ฮัตตาสอนนั่นตัวเพทั้งฉันเองเนะี่ยคิดว่า อันนาสายยรุมุตลาปูหุนนะห้ามเลิกกันนางถึงจะทำผิดแค่ไหนเตือแล้วเธอก็แม่อย่าเลิกนะให้อดทนสบตยอยู่กันต่อไปเนี่ยให้ทำดีกับภรยาข้อที่หนึ่งทำดีกับเพื่อนบา้านข้อที่สองทำดีกับภรรยาเรื่องที่สามวามาซาเยูซสนิบินมัมลูกินฮัตตาซอนันตุอันนาหูยจอาลูลาหุมวัตยติูนะ พีให้ใครที่มีทาตเนี่ยปล่อยทาตให้หมดวันนี้ทาตไม่มีแต่มีคนงานบริษัทเราเป็นเจ้าของบริษัทใช่ไหมล่ะต้องดูแลคนงานให้ดีดูแลคนทีตนนึกอย่างนี้คนที่มาช่วยงานเราเนี่ยอลัลลอส่งมาครับข้อที่สองอย่ามองเป็นไพร่อย่ามองเป็นท า, า, าตอย่ามองเป็นขี้ข้าอย่ามองเป็นลูกจ้างไม่ได้ อลัลลอ์ส่งมาช่วยงานเรื่องที่สามให้ดูแลได้เวลาอาหารเลี้ยงอาหารได้ยังดีใหญ่เลยและซื้อเสื้อผ้อาก็ใช้บางปีละตัวสองตัวนี่ใครสอนเนี่ยจากข้างบนหมดเลยผ่านยิบรีนยิบรีนมหาท่านมาดีแล้วก็เรื่องที่สี่ยาดายาดาพนักงาน เหนยครับนั่น้สครูด่านนักเรียนไม่ได้มึงต้องอบรมมาต้องพูดจาดีๆแต่การละมาคุมบปลี่นลด้นด้วยคาพูดที่ไพเราะและนิมนวลด้วยแลขออุทธอณ์เราไม่ใช่ด่านักเรียนผมไม่เคยด่านักเรียนอยู่นักเรียนมาสี่สิบกว่าปี่ไม่เคยด่านักเรียนมิแต่พูดจาดีๆเอมือรูปหลังขออุทธรณ์ไม่ต้องแบบนี้เอาของ พัฒนาจามของตะวันตกของฝรั่งอาชีไม่ใช่ทำไมอะ่ะของซุนนะนบีนสนาหงามสุดแล้วมต่อมาครับเรื่องที่สี่วามาซาลยูซีนีบิิวา่าเรื่องเรื่องที่สีเนี่ยน บ, บีบอกเองยิบรีนลงมาหาฉันมาเตือนฉันให้แปลงฝันเหมือนกับอะไรนะอันนะาูฟาริดบอกฉันคิดเองเลยว่า การแปลงฟันนั้นเป็นฟรดูแล้วก็นบีแปลงฟันด้เห็นใช่มหมเราละอันนัสุกกาละอุ ม, มัตีละอามารตุบิสุวะอินตะกุลิวูดูอิอินตะกุลิสัลามิุสองสอง s ทุกครั้งที่อาบน้ำน้มาให้แปลงฟันทุกครั้งที่จะยกมือตักเบ็ให้แปลงฟันคนก็ทํางคนทั้งสองนั่นแหละอาบน้ำน้ำหมาก็แปลงฟันก่อนจะตักเบ็ดก็อาไม้บิสวักเดี๋ยวมาแปลงทาให้เหงือก แข็งแรงไ ม, ไม่เจ็บไม่ป่วยด้วยอย่างนี้ ต, ตัวตั ว, ต ว, ต ว, ตวลงว่าเรื่องที่สี่นี่ยให้แปลงฟันเรื่องที่ห้ายูซีนีบิสลลาฟิลจามะฮ์ให้นามาดกับจมามะฮ์เท่านั้นเหมือนกับนมาดคนเดียวที่บ้านเนี่ยเอาล็อไม่รับนะี่ยยิบรีลงมาลงมามานามัยกับจามะฮ์นานั่นคนที่เรียนาาศ า, าสนาฟังศาสนาเนี่ยเขาจะ ไม่จะพวมสัสเราเวลาอาทิตลาอาทิตย์ละวันไม่อาทิตย์ละค้างไม่มีอย่างอิมามบัลเราเนี่ยขอแตน่นิดเดียนะไม่มาสู่เราเลยอะมาตอวันสูกมาอ่นานกูอานก็อ่านเสียงโชเสียงนี่บางบางสู่เรานมีมาจัดทั้งหมดนะขอแต่บ้างเล็กลน้อยเท่านั้นถ้ายึดสุ่หน้านบีต้องมานนามาที่มัสยิดอยู่เป็นประจําทั้งห้าเวลาเลยอย่างโมอัดวินเนี่ย มกริบไม่มาอิชาไม่มาสุบโบไม่มามาบายสีวิลานะ่ะยกเวน้นอะใครคิดะมันต้องมาครับนี่กระแตมัดแล้วนี่ละไม่ค่อยมาสัเราวันี้ไม่เพราะอะไรอะนี่พูดกันตรงๆนะเพราะแกจะตายให้หมดแล้วเนี่ยข้อที่หกวามาซาลาอยซีนีบิกิมิเลลแล้วก็เิบรีนลงมหาฉัน มาสอนฉันมาเตือนฉันให้นามาตยามุลเลนแล้วมาตะหัดชุดเห็นยังครับตบฝึกตัวเองนช่ไหมถามว่านามาดเหนื่อยมาไม่เหนื่อยหรอกไอตอนจะขึ้นจากที่นอนต่างหากแล้วแต่ขึ้นมาฉีนะขึ้นได้ไอตอนจะเข้าแปลงฟันอาบน้านามาดชะตอนว่าบางนอนต่ออีกนี้เห็นมลูกนะครับ เอาเรื่องที่เจ็ดอยู่สินี่บิฎิครินเลยยิบรี ล, ร ล, ลงมาหาฉันมาสั่งเสียฉันอะไรนะให้ซิกรุลลอวันวันหนึ่งไม่ซิกรุลล์เอลอยเอะนะไม่ไม่ให้พูดอะไรเ อ, อ่ยนอกจากซิกรุลล์อย่างเดียวนี่นบีพูดเองนะลาย่ำฟังของกาวรุลอิลาบิฉันคิดเองว่า ไม่อยากจะให้พูดคําไหนแล้วนอกจากซีคุลลอยอย่างเดียวนี่นบีสอนเองเจ็ดเรื่องด้วยกันเห็นไหมถามว่าลงทุนเสียตังค์ไหยไม่ได้เสียตังค์เลยแต่นี่เป็นอะไรนะที่เอาเราส่งนบีมานมาสอนเรื่องอย่างนี้แต่พวกเราเอาเรื่อเอาซุนนะบีมาใช้กี่ข้อละ่ะแค่นามาตห้าเวลาเนี่ยโอ้โหหนักใช่ได้อไม่ใช่หลังนี้เป็นต้นเอาต่อมาครับตัวรังว่า คุณอ่านบอก ว, ว่าไงนะอันนาลาหุมซึคราอซึคราไปว่าข้อข้อเตือนใจจะมีประโยชน์อะไรว่าก็จะจะอาหุมรอซู ล, ลุมมมบินทั้งทั้งที่ว่าได้มีรอซูลผู้มาอธิบายจำอย่างแจมแ จ, จ้งอย่างชัดเจนมายังพวกเขาแล้วพอนบีมา ก, กับดานาบีคนปฏิบัติตามนาบีถูกด่าว่า พวกนู่นพวกนี้พวกนี้พวกนั้นดานบีุลดาค น, นที่ปฏิบัติตามสุนนะอับดบิคนที่เอาสุนนะอับดบิมาสอนโอ้โหกลายเป็นแกะดําอยู่ในหมู่บ้านเลยเนี่ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเพราะเราไม่เข้าใจกุณอ่านแล้วไม่พอใจสุนนะอับดบิมองสุนนะอับดบิแค่แค่อะไรมิแค่แค่โซลละวัดอย่างเดียวพอเอาต่อมาอายะที่14นะครับซุมมะตะวัน ล, ลาอันหู وقالوا معلم مجنون ثم توالوا عنه وقالوا معلم مجنون ดูสับครับตะวัาเราแปลว่าผินหลังหรือหันหลังหรือเมินหนะ้า แต่วันเราแปลว่ารถิ่นหลังให้หันหลังให้เมินไม่สนใจใครหรือเปล่าไม่สนใจน บ, บีอ่าพอน บ, บีมานี่เพราะว่าน บ, บีถูกมาแล้วญาติพี่น้องน บ, บีใส่ร้ายน บ, บีด่าน บ, บีแล้วันนี้ก็เหมือนกันครับขอว่าต่อรอให้คนที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วเนี่ยอย่าตําหนิน บ, บีเลยนะ เราต้องขอว่าตอนเลาเราจฉันยังทำสุนัตนบีไม่ครบเลยแค่นามาถ้าเวลานะี่ยังมาไม่ครบเลยเราจะเปิดใจจะหน่อยเถอะมีมอตรไซไปได้ทุกแห่งอ่ะมีรถยกเว้นสุราออกมาไม่ก็ได้สุมาตะวันลาอันหูกานั้นก็ดีพวกเขายัางหันยังเมินไปจากอันหู การด่าว่าการเชิญชวนของท่านนบีแล้วจริงไหมจริงครับแค่บนโลกมาเนี่ยคนดูบอลโลกมากก็ฟังตัปซีนนะคนนาะคนที่ไปดูบอลโลกมากก็เข้ามาสัญญ่าห้ามเลยนะรับอิสลามประมาณเจ็ดเจ็ดแปร้อยคนนำโดยธุกิษในที่อะไรนะกาตาร์กาตาเนี่ย เขาจัดบอลโลกแต่เขาไม่ทิ้งอิสลามเขาเอาอิสลามเนี่ยนำหน้าแม้แต่เด็กอะไรนะ่อยอยู่ข้างสานามฟุตบอลนมาดเห็นไอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเขาโชว์อิสลามหลายคนที่ติดเบียติดเหล้าไม่พอใจแต่แค่นี้พอซุมมาตะวัลลาวันหูขก็นั้นก็ดีพวกเขายังหันหลังหรือมเมินหนะ้าไปจากการดาวะ ตับรีของท่านนาบีมุฮัมหมัดว่าก็ลูอแลาพวกเขาก็พูดตำหนินบีว่ามุฮัลลามุนนบีนี่เป็นคนที่ถูกสอนมีครูมาสอนนบีที่เอาคุรอ่านมาหนึ่งเล่มเนี่ยค่อยๆทยอยลงมาที่อัลลอฮประทานมาเนี่ยเขาไม่พูดว่าอัลลอฮนะเขาพูดว่ามุฮัมหมัดนี่ไปเรียนหนังสือมา คันั้งที่นบีเนี่ยอ่านอ่านเป็นไม้ไม่เป็นเขียนเป็นไม้ไม่เป็นแต่นบียังถูกเนี่ยถูกดาวงนะั้นนะมุฮัลลามุลมุฮัมมัดนี่เป็นคนที่ถูกสอนมุฮัลลามุลถูกสอนแต่นบีเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือนะแต่นี่อลัลลอฮ์เล่าไงปะคนอาหรับมุสลิมนด่านบีแล้วนี้คนยุโรปเนี่ยเริ่มด่านาบีว่ามุฮัมมัดนี่เรียนมาจาก จากบาดหลวงคริสเตียนใส่ร้ายนาบีทั้งหมดทั้งทงที่นบีบอว่าอ่านไม่เป็นเขียนไม่เป็นแล้วก็มัจนูนอะไรเป็นคนบ้านี่สองสิ่งที่ด่านาบีสิ่งทีเร็วๆหมดเลยอย่างพระอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยีาห ย, ยบอัลกุรอานด่ากุรอานนั่นละ ล็อกกับปวิงเวลาเอาไว้ยังไม่รีบลงโทษแต่ลงโทษแน่ถ้ายืนหยัดในการทำลายอิสลามต่อไปนะครับแต่มุสลิมใจร้อนเหมือนนะไม่ <c oughs> ต้องของใจเย็นๆว่าใจเย็นๆว่าใเย็นๆด้วยถึงมุฮัมมัดได้ถูกดา่าถูกตำหนิตัว น, นี้กี่อาญาณี่กี่เรื่องนะสองเรื่องม้อลัม แต่ว่าถูกสอนมีคนมาสอนนบีข้าใจใพไผิดนะนบีอ่านหนังสือไม่ออกเขียนเขียนไม่เป็นแต่อรรนเล่าให้ฟังว่ามีคนบางกลุ่มดา่นานบีว่าหมอนล้มเป็นคนที่ถูกเรียนมาถูกสอนมาแล้วก็เรื่องที่สองมจัจโนนเป็นคนอะไรบาใช่ไหมไอ้ที่พระองค์ได่ออกมานะอายานี้อธิบายได้เลยอะ เอ็งถูกแน่ๆถ้าไมต่ตาบ้าตัวตอนวันนั้นสมกมาดุคอมาทํานในโลกอาหรับในแห้งแร้งต้องกินหมากันนะแล้ววันนี้ทำอย่างนี้เนี่ยเอ็งไปไม่รอดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาต่อมาครับในคุณกุณรานอธิบายคุราน คาว่านบีบ้าเนี่ยอยู่ในกัมภีร์คุอ่านอีกสองอีกสองอีกสองอายั์อายัหนึ่งก็คือยาอายุฮัลล์เลนุสรลละเลยฮิดิครูอินนากาละมะจนูนชาวมักกะพวกวัตถุนิยมเนี่ยหรือพวกปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันจะกล่าวว่ามูฮัมมัดนั้นะนำถูกประทาน ข้อตักเตือนลงมาให้แก่เขานั้นแท้จริงมวมหมัดเป็นคนบ้าการด่านบีตำหนินบีทำลายนบีนั่นโอ้โหมีโทษหนักครับแต่อาอรมณ์ปวิงเวลาเอาไว้ไม่รีบลงโทษ<ม>เพื่อให้เขาได้แก้ไขปรับปรุงตัวเองไอ้ตอนให้โอกาสนี่เหี๋ยิ่งยิ่งด่าใหญ่เลยอ้าวยิ่งด่าก็ยิ่งเจอคดีหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นห น, น, นักขึ้นไปต่อ ทนกุลาอัาอาลลอฮ์รับรองบอกว่านบีไม่ใช่เป็นคนบา้าอ่าเป็นคนที่อลัลลอฮ์ดูแลรักษามาอันตับิเนาะมัติรอบบีกั บ, บิมาจนูนด้วยอลัลลอฮ์นี่นะบอกว่านบีไม่ใช่เป็นคนบา้าอ่าเนี่ยอลัลอพูดเองนะว่านบีไม่ใช่เป็นคนบา้านบีได้รับเนา ม, มัตความโปรดปรานจากอาลัลลอฮ์ ให้เดรับวะให้จากอัลลอฮเอาคุรานทั้งเล่นสามสยุทธเนี่ยค่อยๆทยอยลงมาให้ท่านนาบีให้ท่านนาบีมาสอนมาสอนมาสอนเป็นเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องระยะเวลากี่ปีนะ23ปีของการสอนอิสลามไม่ใช่เป็นคนบ้า น, นะครับทั่นคนที่ด่า น, นาบีนะอัลลอฮ์ก็ให้เขาอยู่สบายไปก่อนชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ลงโทษที่หลังเขาเรียกว่าอินติกรต่อมาก็อะยะที่สิบ้าครับ อินนักาชิฟุลอ <ون> าดับิ قليلة อินนคุมอิดูนี้เตือนคนที่ด่านบีคนที่ด่าอัลกุรอา น, ค น, าน آن, คนที่ตำนีอัลลอฮ์กาชิฟนี่แปลว่าปดเปลื้องอัลลอฮ์ไม่ได้บลงโทษนะ อินนาแท้จริงเรากาชิฟุนแต่ว่าเป็นผู้ปลดเปลือ้องอัลอาซาบการลงโทษไปจากพวกเขากอลีลันเห็นยังเพียงเล็กน้อยชั่วคราวเอาเอาโทษไหมเอาตอนนี้ประวิงเวลาเอาไว้ก่อนกอลีลัน ชั่วคราวอย่างมันเราก็มียช่าหสารก็รอลงอาญา <c oughs> คนที่ดาา่ากุรญาที่เยียบอัลรกุราอาลัลลอฮ์เอาโทษแน่แต่วันนี้กาชีฟุลอาดาอาลัลลอ์ปดเปื้องการลงโทษไปจากพวกเขากอลีลันชั่วคราวลิตเติลเล็กน้อย แค่วันสองวันพอความตายมาถึงกอหอยฟาโรฟาโรเองยังว่าอามันตูบิลล่าดนนี้ลูสิตฟาโรเนี่ยมันจะเหลือ <c oughs> ขนาดเจ้าพ่อใหญ่จะบอกว่าอามันตูฉันเชื่อแล้วว่าอิสลามเป็นาศาสนาที่มาจากอัลลอ์จริงน บ, บีมูซาอัลลอฮ์สรงมาจริงเมียศรัทธาแล้ว พระมีศรัทธาโมโหเองอ่อะจะเอาหินทุ่มภรรยาตัวเองอัลลอฮ์เอาวิญญาณขอ ง, งา น, นางนี่ออกจากร่างก่อนที่หินจะถูกเพื่อไม่ให้เจ็บอินนากาชฟุลาบิลาแน่แท้เราจะปดเปื้องการลงโทษนี้ไปจากพวกเขากี่วันครับ คอรีหลัลนเพียมชั่วคราวเท่านั้นเองเราก็เหมือนกันมุสลิมที่มีอาศาสนาวันนี้มีเปล่านำมานไม่ครบทูกนะ่าดามียก็ถูกพิษนะ่ทะเลาะกับญาติพี่น้องก็พิษแล้วก็เจ็ดข้อที่ที่ยิบรี ล, ลงมหานาบีหน่อยใช่ไหมเราต้องขอโอาเยอะ น, นี้อัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษน่ะประวิงเวลาเอาไวก้ก้อยล้นเล็กๆ ก, กน้อยเพื่อให้เราได้หันมาเรียนมากลับเนื้อกับตัวเป็นคนดีแต่ถ้ายัางดันทุรังทำตัวอย่างนี้แหละฉันประเพณีฉันมาสุราแค่ควันศุกร์พอแล้วลยอีห้าวั น, น, น, น, ม, นมันฟอรดูน่ะอ้วันศุกร์นึมาอะไรสุนัขเอาสุนัขมาใหญ่กับฟอร์ดูลใครสอนล่ะ อันนี้แต่แค่นี้ก่อนนะครับต่อมาครับอินนากาซีฟุลอาดับแท้จริงเรามาถึงอัลลอฮ์เนี่ยปลดเปลื้องการลงโทษไปจากพวกเขากอรี่ลันเล็กนะ้อยที่ด่านบีด่าอัลกุรอานเยียบย่ำอัลกุรอานเยียบยามอัลกุรอานด่านนู้นด่านนี้อัลลอฮ์ประวิงเวลาเ right. อาไว้พอพออาดับหมดแล้วอินนากุมาอิดูน อาอิทแปลว่ากลับกลับคือบางคนเป็นอย่างนี้สำนึกตัวฉันสารภาพผิดต่อ a ล l a แต่พออยู่สบายสบายมีบ้านใหญ่โตมามีที่ดินเยอะขึ้นมีเงินเพิ่มขึ้นคิดว่าคู่แน่ก็ เ, เลยทรยศต่อ a ล l a ไม่จ่ายสกาศมั่งมโอสรารพัดทำโน่นทำ น, น, ทำนี้เพราะว่า อัลเราก็ทดสอบหัวใจเป็นกันน่ะให้มีแม่มีปัญหาเดือนร้อนให้มีนุ่นมาให้มีนี่มามีแต่เรื่องดีๆหมดเลยโอ้โหกูไม่เอาอันลอกกูก็รวยไม่เห็นนะกูดานาบีกูยังเห็นอ้พี่น้องญาติพี่น้องในรุมกูเลยก็ลลประทานเล็กน้อยให้ความสุขความแบบฟาโรห์น่ะ อลรถเล่าเองนะ400ปีให้เขาอยู่สบายไม่เป็นหวัดแม้แต่จามก็ไม่มีครับ ร, รักษัตร์งนุ่นน่ะอยู่สบายไม่กี่ปีแคเอวยุงเข้าเข้าไรนะเข้ารูจมูกไปดิ้นในสมองเนี่ยดิ้นทีนึงปวดหัวทีรักษาไม่ได้อะเอารองทาขึนมาเคาะหัวเกระจัูกตายอ่ะเห็นยังครับ ไอ้คนท al ี i, ่ดากุรอานเยี่ยมกุรอานเนตเองเจอแน่ไม่รู้จะเป็นโรคอะไรโรคนึงละก่อนตายอ่ะพอตายแล้วเจอหนักอีกหนักอยาดีเป็นต้นฉะนั้บุญมุมูนเนราเนี่ยต้องสุกรตอรตลอดขอบคุณตลอตลอดเวลานะครับคือนิสัยคนเนี่ยตลอเล่าให้ฟังเองเวลาสบายลืม Allah เวลาลาบากเพิ่งจะนึกถึง a l ขออนุญาตยา้อนช่วยกระจัดปัญหาเดือดร้อนให้หน่อยพออัลลอฮ์ให้ลือบไปลอยแล้วนี่นิสัยมนุษย์เป็นแบบนี้ฉะนั้นไม่มีใครเลวร็วกว่ามนุษย์แล้วก็พี่น้องนี่กุอ่านอนะธิบายบอกว่า ย, ยูนุสน่ะนบีอะไรนบียูนุสทําไมไปอยู่ในท้องปลาให้เราช้าช้า ใช่ๆ ช, ช่ปัญญาคือนบีนนยูนุสเนสอนศาสนาสอน ส, ส, นนะสอนสอ น, สอนแล้วญาติน้องไม่เอาก็เล่นหนีจากหมู่บ้านกะจะลงเรือไปให้ไกลเลยละไม่เอาแล้วเราบอกว่าเป็นไปไม่ได้คนในหมู่บ้านพอนบียูนุสหนีออกจากบ้านเยอะมากเขาเขาเริ่มอีม า, า, านศรัทธากัน ยุทธไม่รู้เพราะมนุษย์เนี่ยไม่ใคย ร, รู้เรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องข้ง า, งงางหน้าครั้งหลังล้อให้กลับกลับไปอะ้ร <c oughs> ให้ออกจากเรือนะ่ะว่าง่ายๆนะจับฉลากต้อง อ, ออกคนหนึ่งพอเรือมันจะจมจับฉลากสิายไปเจอนาบีอยู่นุสยอยู่นุสย์สีคนุษย์ <c oughs> พอออกจากเรือปั๊ปลาฉลามมากินเข้าไปในท้องปลาพออยู่ในท้องปลานึกถึงอลองาะ เราจะอ่านดวอาเขาว่าไงนะอะไรนะลาอิลาฮะอิลลาอันตะสุบฮะนะกออินนีุนตุมินัอิมีเห็นไหมอ่านดวอาบทนี้ในท้องปลาอร้อยได้ยินอยู่บนชานปลามาเลกาได้ยินด้วยมาเลกาถามว่าเสียงของใครอัลลอฮ์ขึ้นมาจากแผ่นดินเนี่ย เป็นสถานที่ที่แปลกๆที่ไม่เคยเสียงนี้ไม่เคยขึ้นมาก่อนเราว่าเสียงในบียูนุสฮะอยู่ที่ไหนอยู่ในท้องปลาเล่าให้มลายิกาฟังเขาขอร้องสารให้ช่วยหน่อยทาไมอยู่ท้องปลาเราก็เล่าให้มลายิกาฟังหนีอะหนีหน้าที่ไอ้คนที่หนีหน้าที่ต้องนึกด้วยนะมีหน้าที่ทำไมทำหน้าที่ใช่ไหมต้องนึกเอ แล้วขอโทษอาหรับอลัอลลอฮ์ก็วมตาหน้าหุมแล้วก็ให้พวกเขามีความสุขชั่วคราวเล็กน้อยเท่านั้นเองอย่าลืมว่าความสุขที่เราได้รับเนี่ยถ้ามีความสุขแล้วลืมอลัลลอฮ์เองกำลังทรยศต่ตออัลลอ์อย่างแรงเลยที่นั้นต้องสุขกต่ออัลล์เยอะทุกอิริยาบทที่นบีพูดว่า วันวันหนึ่งเนี่ยถ้าไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยเหมือนกับคําพูดที่ออกมาจต่ละคำเนี่ยมันใช้ไม่ได้จริงๆก็ต้องเจ็ดข้อใช่ไหมก็อย่างอะไรนะดูแลแขกเออมาเพื่อนเพื่อนบ้านดูแลภรรยาดูแลปากแล้วดูแลอะไรอีกดูแลดูแลเพื่อนบ้านดูแลพยภรรยา ดูแลลูกจ้างดูแลปากดูแลนมาดดูแลนามากลางคืนแล้วก็ให้สิกรุลล้อนี่เรื่องของเราหมดเลยคนอื่นไม่ต้องทําเราทำทำคนอื่นทําแทนได้ไหมไม่ได้นี่เราต้องทําเองหมดเลยเจ็รายการเอาต่อมากัระยะที่สุดท้ายายี่สิบหกยามนาบอติสู ยามนับถิ่นุลบาบชัตัลคุบรออินน้ามุนตะทิมุนยามนับถิ่นุลบาบชัตัลคุบรออินน้ามุนตะทิมุนสองสามอาย่านั้นเป็นเรื่องดุนยาหมดเลยนะอาย่านี้ ในวันอาคิรอถูกลงโทษหนักคนที่แอนตี้อิสลามด่าอิสลามเย็บอัลกุรอานด่าสุนนัสนบีอัลลอ์ก็ทดสอบบนทุนยาเล็กบ้างเล็กน้อยให้เขาอยู่สบายบ้างอะไรบ้างทดสอบบ้างเล็กน้อยให้เป็นข้อเตือนใจสำนึกแต่ถ้าไม่ตอบ้าตัวกลับมาอันนี้อญญายสุดท้ายนี่เกิดเยาวมาวันซึ่ง นับชืตบาบาตอชนั บ, บติชื่แว่าเราจะจับคุมเขาแบบรัฐบาลส่งทหารมาจับคุมจะเลือะ <c oughs> มันเราจะจับคุมเขาบาตอชะเป็นการจับคุมที่กุบรอที่มโหโานที่ยิ่งใหญ่ ไม่จะจับธรรมดานะจับขมมด้วยกระชากแรงอย่างนี้จะเหลือไม่จะให้เดินนะให้เอาเอาหน้าเนี่ยไถดินด้วยนะเวลาเราเล่นงานนะเพราะให้อยู่บนดุลยามานี่ลืมว่าดุลยานี่โลกแห่งการหาความสุขใครบอกโลกแห่งการทำอิบา้าจต้องเข้าใจใหม่นะครับว่ามาคนรัตุลยิ น, วนะวอินซอินละ ดิยาบุดูนเราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากให้เขาเหล่านั้นทั้งมนุษย์และยินมาพักดีแสดงตัวเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ตามสุนนะนบีในยุคเรานี้เดินตามนาบีเท่านั้นทีนี้ถ้าไม่เอายาวมาวันหนึ่งมาถึงวันกี่ออกมานับติชูเราจะจับกลุ่มพวกเขา อัล บ, บตาเป็นการจับกลุ่มที่กูบรออะไรยิ่งใหญ่หนักมากเลยต้องนึกภาพอาคริ ด, ด้วยเล่าตรงนี้ทำไมต้องจับจับกลุ่มอินนาะแท้จริงเรามุนตะกิมมุนมุนตะกิมเนี่ยแปลภาษาไทยแปลว่าแก้แค้น แก้แค่ที่เองไปด่านาบีด่าอัลลอฮ์ด่ า, ดารอซูลบนดุญยารอบลลไม่ให้คุณเป็นอะไรเลยฟาโรห์เน่ยสี่ร้อยปีไม่ป่วยเลยกษัต์อะไรนะนุมรูดอัลลอฮ์ให้เห็นบนบนบนดุญยาให้เล็กเล็ก น, น้อยน้อยให้ยุ่งเข้าจมูก <c oughs> แล้วก็ไปปวดหัวรองเท้าข้อหัว นึกภาพเลยเป็นคนเป็นกษัตริย์เนี่ยเอารองเท้าข้อหัวพอข้อทีหนึ่งกับเบาทีหนึ่งขาะทีนึงกับเบาทีนึ ข, นนข้อจกักทัางตายตายแล้วจบไหมไม่จบครับเจอเนี่ยไงยามานาบาเตชุลบาปัสสัตถ์คูบรอพอตายแล้วนะครับพอฟุ้นขึ้นมาในวันเตียม เราจะจับกลุ่มพวกเขาด้วยการจับกลุ่มอย่างมโหฬารแล้วโส่เจ้าจะได้รู้ว่าแน่นอนอินนามุลตะกมูแน่นอนเราจะเป็นผู้ลงโทษตอบแทนที่พวกคุณด่านาบดาอัลกรุอานด่านุ น, นด่านีดามุสลิมทำลายมุสลิมเอาไว้เองถูกลงโทษหมดเลยเนี่ยแล้วอพระคุณมานอ่านมาอันกรุอานอายัดไหนอ่ะ อ่านกูอ่านแต่ไม่ได้ประโยชน์จากการอ่านกลับมากลับมาด่ากูเองอะ่ะ um อัลลอฮฺมะนาอุสบิลลาฮิมิงซาลิกอทิ t ที่คนชั่วตายเนี่ยกับคนดีตายอธิบายนิดหนึ่งนะคนดีตายเนี่ยชันฟ้าเนี่ยร้องไห้แผ่นดิน ก็ร้องให้ฉันฟ้าร้องให้ผมไปอย่างนี้คนดีเนี่ยพนนมาตะหยุดความดีขึ้นข้างบนตอนกลางคืนเนี่ยนะตอนทีสามเนี่ยขึ้นข้างบนมีช่องสำหรับคนนี้มีช่องขึ้นไปข้างบนขึ้นจาแผ่นดินนี่นะขึ้นจากบ้านเขาเนี่แหละขึ้นไปมาเลกาอยู่ข้างบนอรรนความดีมาแล้ว พอคนดีตายขึ้นข้างบนมีไหมไม่มีนั่นท่านฟารอ ง, ง่ายเอารอคนนี้ตายแล้วหรอไม่มีอะไรขึ้นไปเลยข้างบนเงียบถ้าลูกดีอ่ะยังมีลูกทําความดียังยังขึ้นไปมา่ในบ้านเดียวกันยังยังยังฐานที่ขึ้นถ้าท่านลูกไม่เอาสอดนายหรออถ้ามียดีอ่ะเมียั ง, ย, งยังนมาดอีกใช่ไหม แต่ถ้าหากว่าเมียแมงเอาศสนาลูกถนสนาไม่เอาพอคนนี้ตายจบเมียอะไรขึ้นบนชันฟ้าชันฟ้าร้องให้ครับอยากให้ชันชันฟ้าร้องให้หรอเห็นไหมเนี่ยนี้เล่าให้กําลังใจพวกเราทั้งหมดว่าทำความดีอย่าหยุดทำท ำ, ทำสม่าเสมอแต่ตองขาดว่าต่อรอรอจะอาจารยได้มีโอกาส มีสุขภาพแข็งแรงได้อ่านกุณอ่านเดซิ ก, กรุณลอเดทดินบมัสยิดต้นญญตตรอกอัลกรุรอห์ได้ทำดีกับญาติพี่น้องเอาเงินในภรรยาชานี่เป็นรางวาัลตอบแทนจากเราหมดเลยแล้วกันในภาษาอุ ด, ดุอธิบายดีก็อบอกว่าเวลาคนตายเนี่ยเขาไม่ดได้นามาดเขาไม่ได้ดีกรุลล้อเขาไม่ได้อ่านอัลกุรอานเขาไม่ได้นามาแต่ฮัจยุสเขาไม่ดได้ทำบุญน่ยแผ่นดินเลยร้องไห้ อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเป็นคนดีดีกว่าทําให้แผ่นดินบ้านเราก็มีบราระกัดตัวเราก็มีบราระกัดมีบราระกัดบนเลยฉะนี้นให้ทำเจ็ดข้อนะข้อที่หนึห่งอะไรนะให้อ่านกุร์านทุกวันให้เด็กๆในฝึกอ่านคุรอรานให้มันติดอย่าให้ร้องเพลงติดเรื่องที่สองนำมาญาขาดเรื่องที่สามให้บริจาคสม่ําเสมอ เรื่องที่สี่อะไรนะให้ขอดูอาเรื่องที่ห้าให้ดีกัรุ่ล่เรื่องที่ 5, หก อ, อย่าทะเลาะกับพ่อแม่อย่าให้ทำให้พ่อแม่ต้องเสียใจคนที่มีภรรยาก็ดูแลภรรยาอย่าด่าภรรยาอย่าตบหน้าภรรยาเอาเงินในภรรยาชายข้อที่เจ็ดให้อภัยกับคนคนที่ด่าเรามีไหมมีให้อภัยกับคนเยอะๆข้อที่ทนะี่เจ็ดข้อแล้วข้อที่แปดให้อดทน ซาบนี่เป็นาศาสนะนาเนี่ยท้าวนบีมุฮัมมัดเนี่ยให้อาภัยด้วยอดทนด้วยใช่ไหมไปเมืองตออิฟจนะเป็นไงถูกกี่เรื่องอะสามเรื่องใช่ไหมให้อาภาัยแล้วก็อดทนดีมีรางวัลทั้งสองเลยให้อาภัยก็มีรางวัลอดทนก็มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์แบบนี้เป็นต้นครับก่อนจะจบมีคนด่าประเทศคนด่ามุสลิม ในกุรานอธิบายอย่างนี้นะครับจากคุรานในนะในสุราะกาฟิอายะที่5กาบุรสกาลิมาตันตาครุจยมินอฟวาฮิหิมอียากูลูนาอิลลากาดีบาถ้อยคำเลวๆเห็นั้ยท้อยคำเลวแท้ๆหนักหนามากที่ออกมาจากปากของพวกเขาพวกเขาไม่ได้กล่าว อะไรที่มีประโยชน์นอกจากเรื่องโกหกทั้งหมดเลยดากุราณโกหกดาลอกโหกเหยียบบาลกุรานนี่ตามชาที่สุดออกมาจากรรเลกาบันทึกหมดเลยนะถ้าไม่ตาบ้าตัวก่อนตายนะเองเจอหนะนักๆเจอแน่เลยแต่แต่แตแตวิ ญ, ญญาณจะออกจากร่างแล้วผู้เราก็มวลกันนะนะ มีอีหมานมีตะความียาตีนมียาชามีเอกลาสตอนตายวิญญาณออกจากร่างแบบง่ายได้แล้วมือเลยเอาอยากออกง่ายเรียกออกอกยากทุกคนอยากออกง่ายหมดเลยฉะนั้นพยายามขออนุญาตอัลลอฮ์ให้ตายขณะที่เรามีอีหมานตายขณะอ่านอัลกุรอานตายขณะที่เรากำลังสุญญดต่อัลลอฮ์ต้องขออุญาแบบนี้นะครับหมดเวลาครับสภานักอ AH ัลลอฮุมมาวันที่หมดีกว่า Asyhadualla w i l a h a illa ada astagfirka h wa t u b a t b a i m e k a m